ดัชนีสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเวลานี้ถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายในพระศาสนาที่เกิดขึ้นนี้ต้องตอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ในแง่หนึ่งก็เป็นดัชนีชี้สภาพสังคมไทยและชี้ในหลายอย่างหลายประการแง่ที่หนึ่งก็คือในสังคมไทยนั้น เราถือกันว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีศีลธรรมมากที่สุดและมองไปทางย้อนกลับว่าถ้าหากว่าพระสงฆ์ที่ถือว่ามีศีลธรรมดีที่สุดในสังคมไทยอย่างเสื่อมทรามถึงขนาดนี้แล้วคนไทยทั่วไปจะเสื่อมทรามขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่มามมัวติอยู่เลยว่าพระเลวพระไม่ดีแต่ให้รีบได้สติแล้วมองไปเถอะ ที่คนไทยทั่วไปเวลานี้ว่าแย่ขนาดไหนสภาพพระเนี่ยเป็นดัชนีชี้สภาพสังคมไทยที่คนไทยจะต้องตื่นตัวลุกขึ้นมาแก้ไขอย่าไปมัวมองพระสงฆ์ว่าไม่ได้ความอย่างนั้นอย่างนี้แต่จงใช้สภาพนี้เป็นสัญญาณภัยที่เตือนให้หันมาดูตัวเองว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้วิปริตขนาดไหนแล้วอันนี้เป็นข้อที่หนึ่ง ต่อไปก็ชี้สภาพสังคมและเศรษฐกิจหมายความว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะหนุนให้เกิดสภาพอย่างนี้ก็คือในเมื่อประชาชนไม่มีความมั่นใจในชีวิตชีวิตอยู่ด้วยความเสี่ยงมากขาดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะทำให้หาสิ่งยึดเหนี่ยวมาประกันความรู้สึกมั่นใจภายในจึงหันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศัยศาสตร์เหล่านี้อีกประการหนึ่ง ก็ชี้สภาพเกี่ยวกับความทุกข์กล่าวคือสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงตั้งหน้าตั้งตาหาประโยชน์กันทำให้ชีวิตจิตใ จ, จยอยู่ในสภาพที่ถูกบีบคั้นทั้งตัวเองก็วิ่งหาเสพหาบริโภคไม่พอไม่ทันทั้งการแข่งขันจากคู่แข่งและเกมการหาเหยื่อในรูปแบบต่างๆของเพื่อนมนุษย์ที่ไม่จริงใจต่อกันก็กดบีบให้เ่าร้อนกระวนกระวายคับเครียด ท่กลางสภาพเช่นนี้คนบางคนและบางกลุ่มด้วยโอกาสเสียเปรียบถูกข่มเหงไม่มีกําลังและไม่มีทางไปสังคมและการปกครองก็ไม่มาช่วยตัวเองก็ไม่เข้มแข็งพอก็อับจนคับแค้นหรือสิ้นหวังเมื่อคนมีความทุกข์มากเครียดมากอัดอั้นตันใจและจนปัญญาก็หาสิ่งที่จะมาปลอบประโลม กล่อมขวัญเป็นที่พึ่งทางใจหรือฝากความหวังไว้กับอำนาจลี้ลับและแม้แต่สิ่งที่เลื่อนลอยถ้าสังคมมีความเจริญมั่นคงดีประชาชนมีความมั่นใจในชีวิตระบบเศรษฐกิจถูกต้องดีงามชีวิตสบายมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วเขาก็ไม่ต้องหันมาพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากนักอหนึ่ง ถ้าสภาพอย่างนี้เป็นอยู่เป็นไปมากอาจจะเป็นเครื่องชี้ถึงสภาพการเมืองการปกครองด้วยว่าการเมืองการปกครองของเราไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่มีความเสี่ยงในความเป็นอยู่ต้องหวาดผวาเพราะฉะนั้นก็จึงหันไปหาสิ่งที่เลื่อนลอยและลาบลอยต่างๆสังคมไทยเวลานี้ ผู้คนทั่วไปชอบฝากความหวังไว้กับสิ่งที่เรียกว่าลาบลอยและสิ่งเลื่อนลอยมากตัวอย่างดาดดือดของลาบลอยก็คือการพนันคนไม่อยากทําความเพียนด้วยตนเองก็หวังลาบลอยจากการพนันเช่นเล่นหวยดีกว่าเคยไปภูทอกพระทินนเลาว่าชาวบ้านถิ่นนั้นเล่นแต่หวยแต้ดินมีรายได้วันละ30สิบาทเอาไปเล่นหวยยี่สบบาทหรือไว้ใช้สิบบาท อะไรทํานองนี้สภาพนี้แพร่หลายไปทั่วสังคมไทยสภาพหวังผลจากลาบลอยและสภาพหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดนบันดาลโดยไม่ต้องทํานี้เป็นประเภทเดียวกันคือเป็นการหวังลาบลอยจากสิ่งเลื่อนลอยความพัฒนาที่จะได้โดยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยตนเองหรือท้อใจและมองไม่เห็นผลแน่นอนจากความเพียรพยายามของตน เพราะฉะนั้นสภาพนี้จึงเป็นเครื่องเตือนสตินักปกครองว่าถ้าคนยิ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้มากก็แสดงว่าประชาชนไม่มีความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่และสภาพบ้านเมืองนอกจากนั้นคนที่มีจิตนิสัยแบบนี้คือมีอะไรเป็นปัญหาก็หวังพึ่งสิ่งภายนอกให้ช่วยแก้ปัญหาให้ ก็คือระบบความคิดของคนที่ไม่คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่พึ่งตนเองชอบหวังให้อำนาจภายนอกมาช่วยอำนาจภายนอกนั้นอาจจะเป็นอำนาจจากสิ่งเร้นลับศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าหรือไสยศาสตร์หรืออาจเป็นอำนาจจากบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้สภาพจิตแบบนี้สอดคล้องกับระบบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย โดยเฉพาะจะเข้ากันได้กับลัทธิผดเด็จการและน้อมไปหาผดเด็จการได้ง่ายถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยคนจะต้องมีสภาพจิตที่คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้สติปัญญาพัฒนาตนเองพึ่งตนเองซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนรู้จักพึ่งตนเอง เมื่อคนมีสภาพจิตแบบพยายามพึ่งตนเองสู้ปัญหาโดยใช้ปัญญาประชาธิปไตยจึงจะมาได้แต่ถ้าคนไทยยังมีสภาพจิตที่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังลาบลอยจากสิ่งเลื่อนลอยไม่พึ่งตนเองไม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหาแล้วประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร